บดีฟ้าสว่างแจ้งพายภาคบุรพาสีทองงามประจักษ์ตาสองหน้าภาายภูน แสง่งาลวนย่ำเศร้าทอปักกายแจมแจ้ง ม, มีกบก่แก้มพันพายกนำขายดังสะวันวัวปม า, าศาสสนน้ำนโนพระสังฆาผู้เพิ่นเป็นนารยาเกลเลตตายวายแลว้ว มนุษย์ใส่ผู้วทาไทยดวงกว้างกะจางเปียบปดููดลังทางนภผ้าแจงนั่นเจมใสมวลมนุษย์สาโอกใจผู้เที่ยวทองสงสารลอยลำทางตันหาเวียกชลากระเสกขน ผู้ใดบืนเพียนใด้้ายายามตั้งท่าอวดสาธุนแบกไวายกะไม้พอฟังปะาทรงคือหลังองพุทธเจ้าผู้ถึงฟังนิรุธท่าพนักเพียนไล่ลากิเลสมาน า, นาม กุศลกรรมได้ทำบ า, าส่งไข่เซนซาจึงสามารถดวงพลได้เห็นส่วนโมครรมพววเขานี้จังแมนเดียเลือดดำได้นำสองของสวรรค์เกิดมาทันคำส่นยอดพระคุณผู้บุญโลนั้น เปียนกุศลเฮาแทแต่บุเพียนภาคหากบาบุญบกกไว้ใส่แล้วสิผู้พาโสเข้ามีมือลานจังได้พัวปัสโซเพียนอยู่มือ เธอว่าเป็นมุวนขเลือดอุอดมสมแล้วจังไลมาเห็นแก้วมาคุนนวลํำค่าแนวเปียบโบได้หักษาวไว้คอยท่านสินเป็นหัวล้อมนั่นพอมพมพาวนั้นนะ เพื่อกษาดวงทาให้อยู่ในกระใจยางทานนั้นเป็นหลักตังเอาสีหลังเป็นรวดคายพาวนา่าเป็นดังคายผพดานกลงนั้นขอความ องพระธรรมสิยัวรวมสถิทแ ท, ทงฐานกีจิงประสงจำนุกีดนั้น้าควรประมวลไว้สิสมใจมนุตังนิพานังสิพ่อผานถึงเนือพานดังเบา ความซ้าแม้นว่มีและนาทะทา จากนี้สิสแเแจ้งแถลงไขฐานะไมมบุญสำเร็จนั่นจากท่านการให้เสีรยระไหมกาิเวาภาวนาตลอดทั่วสามอย่างนี้เพื่นเอื้นหัวนันแนวรอมแกนพระธรรม เบื้องแรกขอเก้าแยาไพภากทานไม่ได้เก่การทํทธานสารทุนหนุนเกือือคือจุนเจือสังของ์อให้พื่นไปเพื่อแผ่ท่านนี้เกลโลพระใดจิงแท้วะแนนนวนวะแน่นอน มีความโลกสิเลือดหอนนั่นหอนเข่งเต็งอกมีหลายหลายบ่ให้งกสิทุกทอละมันกันนะาดไม่ปันซาละบางเสียนทางเสียนไม่เจียเจียใส่พงแพ่วบัเทา่าใดนั่นแต่งท่าน สังเกตเบื้องโอทานยาเมาท้อท่านของใจเสัยหองนั้นอิ่มอิมกะเสียมสานันเขี้ยสีท่านกะใจเมาเขี้เสีเวาใจหดทรวิดขี้ักคจังสีหูเสียนแจงสู้ปากัน มีเป็นแสนเหมือนด่านอย่าเฝ้าว่าเจ้าของดีหนึ่อตายเป็นเพียรกระจกันต้องภาพมันลาเวน โบยเนาไปได้เม็นไพ่ไพ่กะโดยดังสิมังมีเหรือทุกให้บาดไฟใหม่กะโบเดือเขาสงสารเอาบาดเบี้ยยัดใส่ปากให้ไปน้ำ เถือกไฟเผาจนดำกาบเอาไปได้บัวไปเป็นพุ่งพองบูวที่ลาหน่อยเดย์ไช่สื่อยังกาบเอาหน่อยศาสไฟใหม่นันบินไป หากันเคียดแน่บ่เนี่นสิกยก่กอไปถึงใสโปรดสังใจหวันเคียดเทศได้ผลดูบ้างหันมาทรมาสร้างกุศลกรรมทำประโยชน์บ่มีโทษแท้แท้สิเดีเนยนได้เพลภพย ต้อยผู้ทุกข์ยากผู้ทุกตามมานาทานเอ ซอยวัดว่าสซอยสังคมผู้ขาดแค่ น, นั้นเครื่องแค่นมีหลายแลือนที่ควรไหนไผู้เจอภัยผาตือนลม่มพาดเอือนนำทว่วมบ้านผองไฟใหม่หมอดสะายก็เฮี้นเสรินถูกขายหูวขายจากค่านี่แม่นคำ ของปลาส้อยปราสานในวันเนอนางสีเป้าเตือนตุกคนสร้างบาลมีเพิ่มแผลเอาให้ถึงคักแทรประสมให้เกอนแข็งเพิ่นว่าเกาสีแดงเสียบสีแดงให้แดงให้ใหน้าสวานจะดหื ส่วนว่าใจของคุณเฮาอย่าได้มีทั้งแรงมนุปแปลงไม่พอภากามิกาแกบุญหักนีอยู่แทบเพียงทานได้อันเถึง เพิ่นว่าเที่ยวทางเมืองประสง์ทิ่งบังยัยหอดทมเจียเข้าสีได้สวยลางหอดทมหังเขาสีได้สวยนาหอดทมว่าเขาสีได้นันอาบเย็น พายก็เห็นมาแล้วแนวดีสิสางอย่าสิคาตั้งแต่มั่วมั่วเล่นบ่ห่วงยังโอ้ยยุมือโอ้ยจังบาบานเพินตัง จังว่าวาทเพื่นตังไดตูกแตงแปงท่านใจให้บ้าน้ำเขายาสีเมามัวเสื่อซอยกันเด้อซอยเพื่อนดังว่าควายลากยเกียนเก้งเฮบ่มีดูกตุ่มบอกกลางหุ่มนันหมูป่า มนุษย์สานี่น่าจะต้องพึงยังกันคือหลังขันกั บ, บ่วยก็ช่วยกันตกนักน้ำเอียทั้งสามกับถวยอาะใสกันบะใส่ปนใส่ไปโดนถวยปากว่าก็ยังได้ว่าพึงสามบะพึงสาม เดียนก็ใส่ผึ้งหามนำกาเล่าใส่ยดินคือลังยินกาพมกะสู่กันสวรรค์ฟ้าน่าใส่ว้ดำเขาเส้า ส, า ว, สวนใส่พืชปลูกมาเรือมาแข็งกะตามแทตั้งแต่ใจ มวลมนุษย์อกใจต้องได้เพิ่งอาศัยกันยุมือเขื่องอาัตามาใครจานั้นว่ามาแ ต, ต, ต่ต้นโตนะ คนบ่เมียพงพองอาศส่แยงพิงพ่อเปียบดังต่อบ่ผั้นำคอยทาตั้งเตพูครูต้องอาศัยแรงลูกศสียขัวในสู้เสดจำเสียเกิดปรปโยน์ย้อนนั่นคุณข่าแห่งครู ผ้าศิียทั้มขอกระทั่ใส่แตงแป้งจัดจังสิตามของ่าที่เก้าแจงแถลงไว้อไม่สิเป็นผืนผ้าใสคนนั้นท้อตามมีแตตลำ้ำแขนบอ่อุมไผ่แล้วผู้สิฟัง ขังบ่มีผัวยอมบ่กูกอมสีแดงแกงบ่มีสู้รถบแเสีหนัวเนื้อธานังผู้ไ ห, ห้ทานนั้นเป็นคนใจกว้างปวงภาษากระุมสอบเดินประกอบกอตั้งกับั่งแนนแกนกุสน นัาเัีเดือนลนจังได้ความสินทาในเบิกบานใจบุญสีเกิดคุณหนุนขามเมตตาธรรมสลุไเลยถยดวงกว่างกะจางเชื้อตาธาสังอาดวางสนุกสางแต่ส่วนเดีย อันว่าความเมตตาการุณาวานี้บ่มีผู้สิบังคาบคือหลังกาบสายฝนที่ลังลงพมเพื่อนะลังลงเงือไหลเวิยนพื้นแผ่นดินก็ไดซุมซุ้มนักปราดพืนก้าวว่าภาะศิตยเขาอยู่เสมอ เพิ่นบอกว่าความมีตากาลุณปานีนี่บอมีภัยบังคับได้ลางมาเองเหมือนสายฝนนั้นตื่นใจจากฝากฝาสุาลาไลสุแผ่นดินภัยได้เยือน คำนี้กะดีใจจังเพื่อนว่าคือหลังฝนจากฝ้าฝานสลุ่มเพื่อนให้สุมเย็นนั้นนอกนาสาธายุ การทาบุญขอเนียนินสารสิ่งท่านของขอเที่ยสองให้มีสินเจตนาหมายเวน้นนี่จากเว้นทั้งนง่เนี่เนตนายเน็เนบ า, ายเนี่ยเนี่ยเนยูน่แลนวนั่นีนี่ยเนี่ยเนีน ขอทีหนึ่งเพื่นเกาตานใเนเห็นเกลือวิเศษในสงสาร ม, มวอนเมตผู้ห่วมโลกาควงสาตงปวงกระดวยดำคือคนนี้ละทานกินนานมีดูกเต่าคือลามบัลังเฮาบาดังเฮา แวากะเป็นปากกะได้ตามแพยทยเผาเท่าพันาาภาษาไัยภาษามนันใกล้กมามเนืออ ยังว่าเสือสิงสังหมูมีชนีปาสัตว์น้านาพวกนูกน้อยที่ง่อยไม่ได้สูงเสียงหานเพื่อเดียงเสีบยบอยู่จสมือคู่ห น, น้าลตโต ให้คิดดูเสียนุ่มตามกอสัวซาเป็นสูวแด้หาขินดินดันคันต่างคนกะต่างหาขันต่างคนกะต่างเห็นความหอนสิหังหายง่ผัวที่ใจโหด้ายบอมีมีตาจีเทียนแกตัวธทม ไม่บาปเสีย เ, เวีนตองอที่สองสามเสียงอาเจตนาเวนสัวเพื่อนสังสอนใเลือก ม, มัวเฮาเก่าสูประเด็นเพิ่นว่าเวีนกังให้ดี ผลวาเวียนกายเวียนจังสิเกิดผลดีจังสิเมียลาสีนั้นมิงมงคนแทนขันไปแว่เกินหลวังบ่จงใจตุ้งต่อคงสีนายพอพอผลายโทษมาหัน พักษาสินงใดนั้นสิมีแต่ความสุขอันตรายภัยทุกสิห่างไกลไรเบนสิน่นี้เปลนของความลนุ์ธรรมไม่เต็มเปียมบอมีสิ่งกาบอย่ามเขาเสิ่อนมนุษย์ปอม ไทยมีศิลพรผ่อมผอมสิงอมฮอดเมืองสาวันเทียกเทวันกายุกสาธุประสาทพ่อใน ห, หายโอนพาน้ว น, นเด่นให ย, ยิงสายให้ไหมมาจ้าปรามาทแท่แล้วให้ศิลแก้วให้ลําน้ำแม่ลําน้ำ นักปราดเพิ่งเก่ายำ้ำซ้ำเติมเตือนเกียตเป็นภาะิตคำคงนั้นข้าควรประมวนเสียน เพื่อนบอกวางสตรีบอมีสินกะสินสวยบุรุษด้วยบอมีสินกะสินเสียเป็นพระสงค์บอมีสินกะสินดีข้ราชการบอรมีสินกะนายมีความา ดีลวนสาธุชนในตั้งต่อผู้มีศีลสิพผู้พอศีลนมองป การสวดมนต์การไหวพระมูนีก็เอื้นว่าภาวนาดูตำลางธรรมาก็เอื้นภาวนาลวยการฟังธรรมเป็นการช่วยเพื่อคัดเก่า ฟอกกิเลเทยียดใจใสพงแผ่วแน่วเนียกเม่นทางหากสิเดิมตัวทางที่ควรแกจิตตาเรียวิปัสสนบ่นสิทาให้ใจตาง โยกจตังวิจานท์พร้อมสั่งห้อมกายผ่าขึ้นสูไตรลักษณะว่วนมวนพร้อมนั้นพำกันนะสังคารทุกสิ่งนั้นเสมือภาคอานิจังเป็นทุกขังอนัตตาผู้เกิดมาต้องเจอพรอมเป็นวิปัสนาขอองค์ท่า มันลำเดิดปัญญาเกิดทุ่งแจงใส่เนื้อย่ยมลาอบาให้ฟังเพียงย่อย่อพ่อได้ซองมองเห็นพอ่อเลยเป็นดี่เทียทงางภาคภาวนซีนเอาละพ่อเพียงมีเห็นที่ต้องสรุปโดบคำลงมให้สั้นหันจอปอนกระสุน ยยงให้บุญตรงเป่าความเจียงออกมาว่ากีรลีาก็ให้บุญสิได้นันเกิดดอมถ้าภัยบอพร้อมในสิ่งสามปาการสุมนี้ท่านบอกเคยปาลบเดืองสินบอเคยวาอ เปี่ยนบ่เอาภาวนาบ่ของท่านมองบ่ของเกี้ยวอยู่คนเดียวขาดพวกพ้องสิมองเศร้าบ่เบิกบานให้ปรายูทุกลานบ่คิดน้าให้เป็นผลประหยูตนทั้งเดียวบ่เกี้ยวภัยทั้งนาน ก็จบกันบ่มีค่าหมดละค่าไงสีนี่ยขันเหมนคำขันแม็นท้องก็แบบเก็บเกี่าวสีเทียมบ่หวงถามขันแม็นเหี่ยมีแต่น้ำให้ประโยชน์บ่มีอย่างขันแม็นหนังมีเพียงจอผ้าพอพอเสียนแจง ขันเม็นแกงกะลึงน้ำขันเม็นซ้ำกะปากเลียนหมดราคาตลอดเสียนบ่มีสาวกามานุนันดอกนาสทธา เออก่อนสิหยุดพักเว้าสิขอทรงพระพลใสปนุ่มกอลำเนื้อพุทธ้าคให้หนุนทาน ผู้ทาทานทัท้งสิ้นผู้ทือสินกะลัมกาภาวนาที่ท่านตั้งสิบาณนงีงเง้อเ้นใจกูส้สวนกรรมที่ก็ไวให้เป็นปองบารมีแน่นึ้อ พ่อภาษีอริยายอดพระคุณหลวงพูนบุญจากท่นทกกานตะกันโกเหมือนผู้พืกษาซ า, า, า, าสามารถบังบ่อนหอนในนอนยังให้ยู่เย็นเกิดศาสตร์ใดให้ห่างเบนนั่นเขียนขอดกานีให้มังมีเสียสุขทุก ท, กทนให้ไกลพนนัง คำามาจนย่าเห็นพ่อยเพียงพ่อครสุย่างอำนาจฐานที่ก่อสร้างทลายม่างนันมูจนบุญจากศิลในพานพลกิเลสมุ่นมองเสียใจนีใจง้มเดือดวิไลใสแจง กูส่วนแย่งหมยเวียนนัน่นเวียนกรรมทุกประเภทจิตเกศใสลังแกวมานี่เข็มนั่น้นาแพ้ปัญญาใสส่งแกงแทงตลอดในเย็นฝนแนวตนไปเถืองภาคมิผ่านมานเวน นิพพานเป็นสัตวหนว่งมนุปองสังัดเงียเปียบใส ย, ยังกะบ่ได้ในเพื่อนบอพพ่พบเพียนพระนิพพานวางเวียนบ่เกิดแกเจ็บตายไมว่าสุนไปโดยบ่สลายว่าไม่มีานัง เพื่อลังเทียนที่ทมหมุดใส่โบมีเหลือเสื้อต่อนั้นดโ น, น่โบเลวโบเหลือข้างเงินอยู่ยัง ภ, ยภัผู้จิตเจตังหวังงอดนิพพานคอยสมความบางังเกลียดพังทาลายม่างผูงท้ที่ว่างโบท่านใดจิตใจเจ้าไ ว, ว้วัง หวงสวรรค์อยากตกเราจะตุม้มจอยดังไมยเดือเสิเขีดอยากใยขึ้นไปสูดาบ่าดึงคอยไปถึงได้วันทาทาจุรามานีนอมจอมสวรรค์ยังโลทาอีกห้ามา้าเทพทีเทพด ท, ทดาอยู่สันนียนงามดวนได้มวนยิน โพธิสัตว์ตลอดสิมพนอาอยู่ตุสิตาสันิมมาโนุดานิเทศสวันือเหนื่อยปลนิมิตาวตสาวติเฟืองกามาจอน่อนเนโอเคแดนแทนฟ้าไปนานันแม่นพรม ขอให้สมใจตั้งมนูวังผู้รูสุธานอาวสานพักไว้ขอขอบใจสธายุพี่น้องขอขอบคุนสธายุมพี่น้องขันฟังแล้วจงจะเนื้